สวัสดีครับเรื่องเล่าสยองขวัญขอนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องป่าลับแลเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ป่าแห่งหนึ่งในจังหวัดตากซึ่งเป็นดอยที่เดินยากมีระยะทางไกลแล้วก็ชันเป็นระดับต้นๆของประเทศคนเดินป่าอาจจะรู้จักในฉายาภูเขาสีทองของจังหวัดตากเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นเมื่อตอนปลายปีที่แล้ว โดยปกติคุณเคเป็นคนที่ชอบเดินป่าแล้วดอยที่เกิดเหตุแห่งนี้คุณเคก็เคยเดินขึ้นมาแล้วแต่ว่าครั้งแรกคุณเคไม่ได้ขึ้นมาดูทะเลหม อ, อกตอนเช้าจึงได้กลับมายังที่นี่อีกครั้งหนึ่งก่อนหน้าที่จะออกเดินทางคุณเคก็ได้ออกปากชวนเพื่อนๆที่เคยเดินป่าด้วยกันแต่ว่าไม่มีเพื่อนคนไหน สามารถไปได้ด้วยเลยเนื่องจากครั้งนี้คุณเคออกเดินทางในวันธรรมดาเพื่อนๆ น, นั้นลา ง, งานไม่ได้คุณเคตั้งใจเอาไว้ว่าจะเดินทางตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพุธช่วงใกล้ๆ ก, กับวันออกพรรษาเดี๋ยความที่คุณเคนั้นเป็นคนชอบเดินป่ามากประจวบเหมาะกับงานที่ทำมาก็หนิดเหนื่อย และได้วันหยุดในวันธรรมดาจึงตัดสินใจเดินทางเพียงลำพังในช่วงบ่ายของวันอาทิตย์คุณเคก็นั่งรถตู้เข้ากรุงเทพแล้วก็ต่อรถไปยังจังหวัดตากคุณเคถึงจังหวัดตากช่วงเช้ามืดวันจันทร์ประมาณสักตีสี่กว่าหลังจากนั้นก็กำลังมองหารถเพื่อที่จะเหมาไปอไปตอติดต่อเพื่อขอเช่ารถ ให้ไปส่งที่ตีนเขาแล้วก็รวมไปถึงลูกหาบที่จะเอาไว้ช่วยขนของอีกด้วยในระหว่างที่กําลังมองหารถอยู่นั้นก็มีพ่อค้าคนหนึ่งที่ขับรถกระบะมาจอดเทียบแล้วก็ถามกับคุณเคว่าจะไปไหนเหรอน้องคุณเคตอบกลับไปว่าจะไปอบตเพื่อไปขึ้นดอยครับพี่พ่อค้าได้ยินแบบนั้นก็พูดว่าไปกับพี่ก็ได้นะน้อง พี่จะไปทำบุญที่บ้านพอดีอยู่ไม่ห่างกันเดี๋ยวแวะส่งให้ถึงตีนเขาเลยคุณเคเมื่อได้ยินแบบนั้นก็นึกดีใจที่จะได้ไม่ต้องเสียค่ารถเพราะถึงที่หมายก็มีร้านข้าวร้านหนึ่งที่คุณเคจะแวะกินก่อนเดินป่าตอนนั้นเวลาประมาณเกือบเจ็ดโมงเช้าแล้วคุณเคกับพ่อค้ากระบะคันนั้น ก็ลงไปสั่งข้าวทานอยู่ด้วยกันหลังจากนั้นพ่อค้าก็แยกตัวออกไปคุณเคจึงนั่งทานต่อแล้วก็สั่งข้าวกล่องเผื่อขึ้นไปทานระหว่างทางในช่วงที่ยังด้วยเนื่องจากระยะทางที่ต้องเดินทั้งหมดประมาณสัก9กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ 6-7 ชั่วโมงคนที่เคยเดินป่าจะรู้ตัวดีกว่า ต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างปกติแล้วทุกครั้งที่มาเดินป่าคุณเคจะมีพระเท้าเวสุวรรณห้อยติดตัวมาด้วยแต่ว่าครั้งนี้ลืมพกมาหลังจากที่พักทานข้าวเสร็จระหว่างที่กําลังเปลี่ยนเสื้อผ้าเตรียมอุปกรณ์ก็นึกขึ้นได้ว่ายังไม่ได้แวะไปที่อบอตอเพื่อติดต่อหาลูกหาบลูกหาบนั้น นอกจากจะช่วยขนของแล้วยังรู้จักเส้นทางสามารถนำทางให้ได้เป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรลืมคุณเคไม่รู้จะทำยังไงก็เลยลองถามกับแม่ค้าร้านขายข้าวไปว่าป้าครับแถวแถวนี้ผมพอจะหาคนนำทางหรือว่ารูปหาบได้ที่ไหนบ้างครับป้าเจ้าของร้านตอบอ้าวหนุ่มเคยมาที่นี่แล้วหรือยัง คุณเคก็เลยตอบไปว่าเคยมาแล้วครับเมื่อปีที่แล้วป้าถึงพูดว่าถ้าเกิดเคยมาแล้วแค่เดินทางที่เป็นรอยทงเดินแค่นั้นก็ถึงยอดแล้วรอยทางเดินที่ว่าก็คือรอยทางเท้าที่เดินซ้ำๆจนเป็นทางคุณเคได้ยินแบบนั้นก็คิดในใจว่าตัวเองจะไปได้เหรอจะหลงทางไหมครั้งนี้ เดินทางคนเดียวซะด้วยไม่ได้มีเพื่อนมาเหมือนปีที่แล้วแต่คิดไปคิดมาก็ตัดสินใจได้ว่าเอาวะลองดูน่าจะไปได้ปีที่แล้วก็เดินขึ้นไปแล้วถึงเริ่มเดินขึ้นเขาเวลาประมาณสัก8ดโมงครึง่งเนื่องจากดูเวลาจากร้านข้าวก็เดินไปเรื่อยพร้อมกับใจที่รู้สึกไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ เนื่องจากเดินทางคนเดียวและเป้รวมไปถึงถุงนอนเต็นท์หม้อสนามก็เริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆ เ, เนื่องจากไม่มีลูกหาบช่วยระหว่างทางที่เดินขึ้นเขานั้นก็เดินบ้างหยุดพักบ้างถ่ายารูปไปเรื่อยคุณเคก้มหน้าก้มตาเดินไปตามรอยทางเดินที่ยานั้นล้มเป็นทางจนถึงลําธารน้ำ จุดที่พักทานข้าวคุณเคจึงนั่งลงทานข้าวไปด้วยนั่งมองนู่นนี่ไปแล้วก็คิดว่าทำไมไม่มีใครเดินตามขึ้นมาเลยไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวลูกหาบหรือชาวบ้านพวกหาของป่าอะไรแบบนี้ก็ได้แต่บนอยู่คนเดียวเกิดอาการเหงาหลังจากทานข้าวเสร็จเตรียมกอกน้ำเรียบร้อย ก็ออกเดินทางต่อผ่านไปได้สักครึ่งทางแล้วเวลาตอนนั้นก็เลยเที่ยงไปแล้วด้วยเดินต่อไปสักพักหนึ่งเกินครึ่งทางแล้วคุณเคจึงนั่งลงพักหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปนั่งเอาหลังพิงกับต้นไม้ด้วยความเงียบของป่ารวมไปถึงการอยู่คนเดียวคุณเคจึงแอบงีบไปนิดหนึ่งเนื่องจากเพลีย เรเดินทางแบกของก็เยอะผ่านไปประมาณสักสิบห้านาทีก็ลุกขึ้นแล้วก็รีบเดินทางต่อต้องการไปถึงจุดกลางเต็นท์ก่อนมืดลุกขึ้นเดินต่อไปได้สักประมาณ1กิโลเมตรจู่ๆฟ้าที่สว่างจ้าก็เริ่มคลึม้มพอเงยหน้าขึ้นมองดีๆไม่ใช่เมฆฝนไม่ใช่ลมไม้ เป็นเพียงแค่เมกนั้นเยอะจนบางพระอาทิตย์หายไปคุณเค่ก้มหน้าก้มตาเดินต่อไปจนกระทั่งเจอทางแยกเริ่มไม่แน่ใจว่าเมื่อปีที่แล้วเลี้ยวไปทางไหนซ้ายหรือขวาในใจก็คิดจะหลงทางไหมพยายามนึกถึงเหตุการณ์เมื่อปีที่แล้วตอนที่มากับเพื่อนตอนนึกออกว่าเพื่อนเคยพูดว่า ตอนที่ใกล้จะถึงยอดเขานั้นจะมีทางแยกให้เหลี้ยวซ้ายแต่ว่าตอนนั้นก็จําไม่ได้แม่นยามอะไรนักจึงตัดสินใจเดินไปทางแยกซ้ายมือเดินไปเรื่อยๆชมวิวไปด้วยจนกระทั่งสามารถเดินไปถึงจุดกางเต็นท์ได้จริงๆเวลานั้นเกือบสี่โมงเย็นแล้วก็รีบกางเต็นท์เตรียมสเสบียงแล้วก็เริ่มตั้งหมอ้อ ต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปท้องฟ้านั้นก็เริ่มมืดลงเรื่อยๆตั้งแต่ตีนเขาเป็นต้นมาคุณเคอยู่เพียงลำพังมาก่หลายชั่วโมงแล้วแต่ก็เหมือนฟ้ามาโปรดจูๆ่ๆก็มีคนเดินขึ้นมาถึงจุดกลางเต็น์เป็นชายสองหญิงสองมองเห็นแบบนั้นก็รู้สึกดีใจมากรีบตะโกนถามว่ากินด้วยกันไหมพี่ คนกลุ่มนั้นยิ้มกลับมาให้คุณเคจึงถามต่อไปว่ามาจากไหนกันครับพี่ผู้หญิงคนหนึ่งในกลุ่มก็ตอบกลับมาว่ามาจากกรุงเทพจะ่ะแล้วพี่ผู้หญิงอีกคนก็พูดขึ้นมาว่าน้องมาคนเดียวเหรอไม่กลัวผีหรือไงคุณเคโดนถามแบบนั้นก็รู้สึกขนลุกขึ้นมาเล็กๆแต่ก็ยังพูดติดลตลกกลับไปว่า ก็กลัวเหมือนกันพี่แต่ว่ากลัวหลงทางมากกว่ากลัวผีแล้วก็หัวราอ ก, กันเบาๆคุณเคเริ่มรู้สึกว่าคนกลุ่มนี้นั้นถามคําตอบคาไม่ค่อยยิ้มแย้มมากนักคุณเคจึงลุกไปช่วยทั้งสีคนนั้นกางเต็นท์จนเสร็จแล้วก็กลับไปนั่งทานอาหารของตัวเองตอนนั้นฝาก็มืดมากแล้วหลังจากทาธรุระส่วนตัวเสร็จ ก็เอาตะเกียงออกมาแขวนไว้ที่หน้าเต็น์ปรับไว้ไม่ค่อยสว่างเพราะว่าเกรงใจเต็นต์ข้างๆพอดีเพิ่งสังเกตได้ว่าน้ำาปล่าของตัวเองนั้นหมดน้ำบริเวณนั้นเป็นน้ำขังต้องเอามาต้มก่อนจะดื่มแต่ว่าคุณเคอยากนอนแล้วจึงตัดสินใจลุกไปที่เต็นต์ข้างๆถามกับพวกพี่กลุ่มนั้นว่าพี่ครับน้าผมหมด ขอน้ำสักขวดได้ไหมครับพี่กลุ่มนั้นก็เดินไปหยิบมาให้หนึ่งขวดโดยที่ไม่พูดอะไรคุณเครับมาแล้วก็กล่าวคำขอบคุณในระหว่างที่กำลังหันหลังเดินกลับเต็นต์ตัวเองพี่ผู้หญิงอีกคนหนึ่งก็พูดขึ้นมาว่าน้องพรุ่งนี้รีบกลับหรือเปล่าถ้าเกิดรีบไปก็ควรต้องรีบนะก่อนที่พระอาทิตย์ส่องแสงสว่างขึ้นเต็มดวง ควรรีบกลับคุณเคได้ยินที่พี่พูดแบบนั้นก็ตอบไปว่าครับพี่พร้อมยิ้มให้แล้วก็เดินกลับไปนอนที่เต็นท์ของตัวเองพอเข้าไปที่เต็นท์มุด ต, ตัวเข้าสู่ถุงนอนได้ก็เริ่มง่วงนึกขึ้นมาได้ว่าครั้งนี้ไม่ได้ห้อยเท้าเวสุวรรณมาด้วยถึงเริ่มสวดมนต์แผ่เมตตาขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขา ระหว่างนั้นคุณเคก็ได้ยินเสียงเดินอยู่รอบเต็นท์เต็มไปหมดในใจก็คิดว่าน่าจะเป็นพวกพีเต็นท์ข้างๆนั่นแหละอาจจะเดินไปล้างตัวที่ลำธารเนื่องจากลำธาร น, นั้นตั้งอยู่หลังเต็นท์ของคุณเคนั่นเองระหว่างที่คุณเคกำลังแผ่เมตตายอยู่นั้นก็มีเสียงคนคุยกันแต่ว่าฟังไม่รู้เรื่องจับสับไม่ได้ หลังจากแผ่เมตตาเสร็จแล้วคุณเคก็เตรียมตัวนอนพลิกตัวนอนอยู่ในท่าตะแคงขวาสักพักหนึ่งก็รู้สึกเหมือนมีไรผมมาแตะที่ปลายจมูกลากไปทางด้านหูซ้ายเบาๆในใจคิดว่างานเข้าแล้วยุ่งเข้ามาในเต็นท์แน่นอนเซียววินาทีที่คิดแบบนั้นสัมผัสเหมือนกับไรผมมาโดนที่หูอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับเสียงกระซิบแผ่ว ช้าๆที่ข้างหูว่าขอบุญด้วยคนลักษณะการพูดนั้นเป็นภาษาเหนือคุณเคขนลุกไปทั้งตัวนอนนิ่งไม่กล้าขยับและรวบรวมสติเริ่มสวดมนต์แผ่เมตตาอีกครั้งหนึ่งในใจอธิษฐานให้กับสำเพวสีที่อยู่บริเวณ น, นี้ด้วยทุกอย่างเงียบลงเวลาผ่านไปครู่ใหญ่ คุณเคเริ่มเคลิมพร้อมที่จะหลับนอนท่าตะแคงขวาอยู่นานเริ่มจะเมื่อยจึงพลิกตัวกลับมานอนหงายระหว่างนั้นเผลอลืมตาขึ้นมามองสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าของคุณเคก็คือมีชายคนหนึ่งนั่งกอดเข่าคุดคู๋จ้องมองคุณเคอยู่บริเวณมุมเต็นท์ตรงช่วงปลายเท้าของคุณเคพอดี ลักษณะที่เห็นเป็นรูปร่างมนุษย์ผู้ชายสีดำมืดไปทั้งตัวเห็นจากแสงที่ตะเกียงด้านนอกส่องเข้ามาหลางๆชายปริศนาคนนั้นพอเห็นคุณเคลืมตาขึ้นมาแวบหนึ่งเขาก็รีบพูดสวนกลับมาทันทีด้วยน้ำเสียงเหมือนเดิมก็คือขอบใจขนาดแล้วชายคนนั้นก็ยิ้มให้ คุณเคตกใจมากรีบหลับตาลงเอาถุงนอนปิดที่ตาแล้วก็นอนตัวสั่นคิดถึงท้าเวสุวรรณร้องขอท่านให้ช่วยลูกช้างด้วยจนเผลอหลับไปกระทั่งเช้าวันต่อมาคุณเคตื่นขึ้นมาก็รีบวิ่งออกไปนอกเต็นท์เห็นแสงสว่างก็คิดจะไปที่จุดชมวิว ต้องการดูหมอกรับกับบรรยากาศยามเช้าคุณเคมองไม่เห็นเต็นท์อีกสองหลังของพี่พี่สคนที่กางอยู่ไม่ไกลตอนนี้หายไปแล้วในใจก็คิดว่าพี่พวกนั้นคงรีบเก็บเต็นท์เพื่อไปจุดชมวิวพอดูวิวเสร็จคงลงเขาไปเลยคุณเครีบเดินไปที่จุดชมวิวก็ไม่เห็นใครอื่นใดทั้งสิ้น ไม่เจอพี่สีคนนั้นแต่ตอนนั้นคุณเคไม่ได้คิดอะไรเนื่องจากสิ่งที่อยู่เบื้องหน้านั้นบรรยากาศสวยงามมากคุณเคดื่มดำกับบรรยากาศอันงดงามอยู่บริเวณ น, นั้นพักใหญ่ๆ ห, หลังจากนั้นจึงเดินกลับไปที่เต็นท์ของตัวเองต้มน้ำเดื่มกาแฟแล้วก็เก็บข้าวของเตรียมตัวลงเขาระหว่างนั้น คำพูดของพี่หนึ่งในสีคนก็เว็บเข้ามาในหัวของคุณเคอีกครั้งหนึ่งว่าทำไมต้องให้คุณเคกลับก่อนพระอาทิตย์ขึ้นเต็มดวงระหว่างนั้นก็เก็บของไปดื่มกาแฟไปจนกระทั่งพระอาทิตย์เริ่มขึ้นจนเต็มดวงคุณเคเก็บเต็นท์แล้วก็เริ่มเดินลงจากเขาคุณเคค่อยๆเดินกลับทางเดิมทางที่เดินขึ้นมาแต่ปรากฏว่าไม่มีทางที่จะเดินกลับลงไปได้ ไม่มีทางเทา้าไม่มีทางคนเดินทางเดินอื่นก็ไม่มีตอนนั้นได้แต่คิดว่าหลงทางแล้วแน่นอนต้องหลงป่าแน่แต่ก็ยังคงเดินมุ่งหน้าไปอีกสักสองถึงสเมตรพยายามมองหาทางที่คุ้นตาระหว่างนั้นก็เริ่มกลัวจึงยกมือขึ้นไหวขอสิ่งศักดิ์สิทธว่าท่านเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าทีเจ้าทางผีสางนางไม้ โปรดช่วยลูกช้างออกจากป่าแห่งนี้ที่ลูกหลงทางอยู่ทันใดนั้นท้องฟ้าก็มีเมฆบังพระอาทิตย์เหมือนกับตอนขามาท้องฟ้านั้นเริ่มมืดคล้มจากเมฆที่เยอะมากบังพระอาทิตย์คุณเคตัดสินใจจะเดินกลับไปที่จุดกลางเต็นท์เพื่อรอคอยความช่วยเหลือจะดีกว่าเพียงแค่คุณเคหันหลังจะเดินกลับไปที่จุดเริ่มต้นนั้น ก็ได้ยินเสียงเรียกหนึ่งดังขึ้นไอ้นุม่มเมื่อทำอะไรที่นี่มาได้ยังไงคุณเคหันหลังกลับไปมองเห็นเป็นคุณลุงคนหนึ่งลักษณะเหมือนคนหาของป่าคุณเคดีใจมากรีบบอกกับลุงแบกหน้าว่าผมหลงทางครับจะหาทางลงเขาแต่หาไม่เจอลุงได้ฟังแบบนั้นก็หัวเราะ แล้วก็บอกกับคุณเคว่าเหรอตามด้วยภาษาท้องถิ่นอะไรสักอย่างที่คุณเคฟังไม่ออกแล้วก็หัวเราะดังลั่นลุงบอกให้เดินตามมาจะพาลงเขาเองก็เดินคุยกันไปเรื่อยๆไม่น่าจะเกิน20สินาทีก็กลับมาถึงบริเวณทางแยกต้อนขาขึ้นมานั่นเองขาลงลงมาแป๊บเดียวแต่ตอนขามานั้น จากทางแยกขึ้นไปอีกเป็นชั่วโมงแล้วลุงแปลกหน้าก็พูดขึ้นมาว่าส่งถึงแค่นี้นะมีทางเดินให้เห็นแล้วเดี๋ยวลุงไปก่อนสายมากแล้วลุงขอเข้ามาคุณเคเดินหน้าต่อไปแล้วก็หันหลังกลับไปขอบคุณแล้วลุงก็ตะโกนกลับมาบอกคุณเคว่าลุงต่างหากที่ต้องขอบใจขอบใจขนาดคำพูด